ในโลกนี้มีคนสองประเภทในโลกมีครูอาจารย์มีลูกศิษย์ทุกคนต้องมีลูกศิษย์มีครูเป็นลูกศิษย์ทุกคนต้องมีครูอาจารย์เหมือนกันหมดในโลกนี้ครูคนแรกของเราคือพ่อแม่อย่าลืมบุญคณ นอกจากพ่อแม่เป็นครูคนแรกครูเาจา้าที่สอนเราจนหมดถึงเริลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุลุมคครูของเราขนาดไหนก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ก, กว่าที่จะมาสอนเหล่านี้ทําอย่างไรแสนยากแสนลำบากที่จะมาเป็นครูคนเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราดูประวัติ พระพุทธเจ้าที่ศึกษาเรื่องนี้กวที่เราจะได้มายกมือร้างจาังหวะมันผ่านลายมาจากคนคนหนึง่งเราจะลืมไม่ได้บักมากเรื่องนี้เราไม่ได้ไปหาใ่ไหนไม่ได้ด่นเดาที่ไหนตรงข้อขามาืนี้เลยอันนี้บรมรุมครูของเรานี่เหลือที่จะกล่าวถึงคนพระพุทธเจ้าที่ที่เราได้ อาศัยบัญรงมีของพระองค์จนมาถึงบัดนี้อีวอนสงขาติได้มาจากไหนกะติเสลาได้มาจากไหนหารการชินได้มาจากไหนมีใครเป็นคนให้เรามาไม่ใช่หลวงเก่งต่อมาจนถึงมาถึงครัวจจรมาถึงยุคหลวงพ่อเทียนดูซีหลวงพ่อเทียน เราเคยเลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเราทำยังไงกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนทำยังไงกับเรามีความอดกลั้นอดทนมีนความเสียเฉละในความภาคเพีเยรที่จะฝังคุณงามกวดีฝังให้ผงไปในกิจชีวิตของลูกศิษย์ได้เป็นวิญญาณของลูกศิษย์ที่ได้รับมาจากความเมตตากรุณาที่หลวงพ่อเทียนของเราเนี่ย ขนาดไหนที่จะมาสอนให้เราได้ลู้อย่างไหนเพียนขนาดไหนผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่กับท่านสิบปีม่ไหนเป็นไหนมากกว่าคนอื่นก็เดือนมาปีสองปีก บ, บายผมนี่พยายามอยู่กับหลวงพ่อเทียนแล้วก็ตอบแทนท่านทำงานแทนท่าน ออกจากหลวงพ่อเทียนหลวงปู่ก็มาอยู่นี่ไม่หนีไปไหนไมาอยู่นี่เลยไม่หนีไปไหนไปก็กลับมาไม่ได้ไปไหนไม่ได้เป็นอาจารย์ธ น, นุอาจารย์ธนนีแล้วมันยืนยัติว่าจะต้องมีที่สักแห่งหนึ่งไว้มีที่ อ, อาไัยมอสะดวกอยจกมีที่นั่งจากที่หนึ่งอยากให้คนมานั่งอย่างนี้ วันนี้ก็มีคนมนั่งอยู่นี้ได้พูดอย่างนี้ <c oughs> นี่ก็พยายามอยู่นี้จนมาถึงแบบนี้อาจจะทนอย่างนี้ไปจนหมดลมหายใจไม่ทษดทอาว่ามันมีความจริงเช่นนี้ก็มหลงไม่จริงความ่หลงมันจริ ง, ค ง, รงแค่บอกคนความทุกข์ไม่จริงคมไม่ทุกข์มันจริงความโกรธไม่จริงความมันโกรธมันจริง การเพิ่มเกิดเจ็บเจบตายที่เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของมันุษเพราว่าที่เป็นชีวิตจริงไม่มีคำว่าเกิดเจเ็บเจบตายเนี่ยมันเป็นชีวิตของลว น, นุ่นอย่างนี้ได้มาจากลวงพ่อเทียนสอนผมเกิดมาอายุเกือบสามสิบปีไม่มีใครสอนเรื่องนี้จะมาเจอลวงพ่เทียนมาสอนเรื่องนี้เพราะฉนั้นมันจึงหนักนักเรื่องนี้นะ อาจารย์ที่เราเป็นลูกศิษย์นะไม่ไปคุ้มค่าหรอกที่ผมมาอยู่เรียนี่ชีวิตที่มา่านบาณฑิตไม่คุ้มหลวงพ่อเทียนสอนผมทงไงก็ไม่คุ้มในชาตินี้ถ้ามีชาติจะไปจะมาเป็นลูกศิษย์เราไปจะสอนอนี้แ <c oughs> ั่ว่ายังไม่พอใจนะในชีวิตก็เหลือน้อยแล้วยังไม่มีอะไรที่เป็นหน้ า, าผ้าปลอมใจสอนคนก็สอนยะพัาธ์ ชื่อปลูกต้นไม้มาได้อาจารย์สุยาผมปลูกต้นไม้ต้นไม้ตอบสนองผมมัเขียวผมนั่งไปลดามันชื่นขึ้นมานะอันสอนคนไม่สุบุหรี่มันยังสูบอยู่ต้นไม้กินเล้าไปกินเล้าอยู่สอนไม่โกรธในทะเลากันยังโกรธจะทะเลากันอยู่ไม่เป็นอย่างนั้นดูต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เป็นหลายแสยนต้นยมันงอกงามขึ้นมาโต ว, วันโตเกินขึ้น คนเราเมื่อไหนจะโตขึ้นตโตขึ้นเป็นแบบอย่างคนมงต้นโสดาบันโตขึ้นมาสกิทาคามีโตขึ้นมาอนาคามีโตขึ้นมาอรหันมันสุดยอดสาวิตของเราเนี่ยเพื่อการนี้โดยตรงนะเพื่อการนี้เกิดบางเพื่อการดนะีเป้นหนึ่งสักคนหนึ่งเนให้มองอย่างนี้ขึ้นมาเอาเลิกลูกของพ่อของแม่นี่จะเล้าคนหนึ่งให้ตกปกของตนเองขึ้นมา เด็กหัวใสเลยนะอย่าท้อถอยผมก็ปลุกใจกับคณะาอาจารย์ที่ผ้าหนุ่มๆเวลานี่ผมขอพึ่งพาสารก้านนะไม่ ใ, ใช้ท่านมาพึ่งผมแล้วผมหมดใส่พึ่งพาสารทานแนะ้ที่อยู่นี่ผมก็พึ่งเพื่อนผมไม่พึ่งไม่คีจะได้ทำอะไรไม่ได้หมดสภาพพูดก็ไม่ออกตายลอยตายหมดแล้วลีดหนังแข็ง <laughs> โอ้ก็หนักะจึงอาศัยพวกญาติพวกโยมด้วยนะอาศัยกร่อาจารย์ในความหูมงใจในพูดตามความจริงนะเออเท่านี้ก็พอ